ในสองบทว่าครุพันดานิครุปริขารานินี้เพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ในอธินาทานสิกขาบทคําว่าครุพันหรือพันฑะที่มีราคาห้ามาศแต่ในสิกขาบทนี้คือของที่ไม่ควรจําหน่ายที่พระ อ, องค์ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพันดะห้าหมวดนี้ไม่ควรจําหน่ายอย่าจําหน่ายสงหรือคณะหรือบุคคลแม้จําหน่ายไปก็เป็นอันไม่จําหน่าย พิษุได้พึงจำน่ายปรับอบัติทูลใจแก่พิกษุนั้นแจกก็ไม่เป็นอันแจกไอ้ที่แจกนี่เป็นอบัตนะแต่ของนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมพันดะห้าหมวดคืออะไรบ้างคืออารามวัตถุอารามทีวิหารพวกนี้นะถึงจะแจกก็แจกไม่ได้ไม่เป็นอันแจกเนี่ยนะถือจำน่ายก็ไม่เป็นอันจำน่ายหรือว่ามาประชุมสมมุติว่าเออนี่ที่วัดนะเราเอ้เป็นสงรมีสิบรูปนะเรามาหารกันดีกว่ามัง้ง มีสิไร่คนละไร่คนละไร่หารกันดีกว่าอันนี้ไม่ได้นะถึงองค์ไหนคิดแจกก็ไม่เป็นอันแจกของนั้นก็ยังเป็นของสงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละหรือบริขารที่จัดเป็นครุบริขารโดยความเป็นบริขารสาธารณะเพราะเป็นของไม่ควรแจกโดยพระบาลีว่าดูกรพิสูททั้งหลายบริขารหหมวดนี้ไม่ควรแจกอย่าแจกสงหรือคณะหรือบุคคลแม้แจกไปแล้วไม่เป็นอันแจกภิสูุใดพึงแจกปรับอบัติทุลใจแก่พิสูุนั้น คือพวกอารามเป็นต้นที่ว่าไปแม้กระทั่งพันดะไม้พันดะดินเนี่ยนะพวกไม้เป็นศอกเป็นเครื่อไม้เป็นวาอะไรเนี่ยแจกไม่ได้สักอย่างคใดที่ท่านกล่าวไว้ในว่าอารามโมอารา ม, ารามวัตถุเนี่ยนะเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับว่าอะไรแจกได้แจกไม่ได้เป็นต้นเนี่ยมีอยู่ใ น, ใ น, นะะในคันธกะในคัมภีรต่อไปซึ่งตรงนี้ท่านไม่ขยายบทว่า อุปลาเปติมีความว่าทําให้พวกเครือขัดบ่นถึงก็บอกที่แจกแจกให้เครือขัดเนี่ยคือทําให้เครือขัดติดใจเหมือนกันเถอะแจกเขาอะนะเขาก็ชอบสิเนาะได้แก่มีความรักใคร่อย่างนี้ว่าโอ้ดีจริงพระผู้เป็นเจ้าของเราใช่ไหมมีรายพันธ์ก็เอามาแจกให้เรามีไม้มีเตียงมีตังมีฟูกมีมอนท่านก็มาแบ่งให้เราใช้แบบเนี้นะชาวบ้านนี่ชอบเลยพวกที่ได้นะชอบพวกที่ถวายคงไม่ค่อยชอบมั้งเนาะ ภิกษุผู้รักครุบริขารที่ไม่ควรจํหนายและไม่ควรแจกใจโดยความเป็นอย่างนั้นสงเคราะห์ครื อ, อัสนี้จัดเป็นมหาโจรพวกที่สี่ก็แลภิกษุนี้นั้นเมื่อจํหนายครุพันนี้เพื่อสงเคราะห์สกุลเนี่ยนะเพื่อประจบครืันเะนี่ยนะต้องอทูลทูสกรรมทุกกฎ ด, ด้วยนะสมมติว่าแจกไปให้เขารักให้เขาชอบใจเขาจะได้มาทําบุญเยอะ อย่างเงี้ยเป็นอบัติทุกฏเพราะแจกไปเขาบอกว่าภิกษุองค์นั้นเนี่ยย่อมเป็นผู้ควรแก่ปรปภาชนิยกรรมด้วยควรไล่ออกจากที่ตรงนั้นเลยเนะคณะสองควรเข้าไปจัดการไล่นี้เลยในเหมือนกลุ่มภาษารียบทเนี่ยนะที่ไปไล่กลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งอะภาษารียบทเนี่ยในสังคาทิเศษสิกขาบทที่สิบสาเมื่อจำํำนายด้วยความเป็นผู้มีความเป็นใหญ่เนื้อภิกษุสองต้องอ ბ ัติทุระใจ สมมติว่าของสง่งเนี่ยนะของคารุพันเนี่ยสำคัญนึกว่ายาชั้นเนี่ยใหญ่ที่สุดในที่นี้ถือวิาสาสะว่าตัวเป็นใหญ่แจกคนอื่นไปอันนี้ต้องอบัตทูลจ่ายทั้งนั้ของอันนั้นก็ไม่เป็นอันแจกนะถึงค า, ารวะเอาไปใช้ก็ยังเป็นของสง่งอยู่นั่นแหละเมื่อจําหน่ายด้วยทายจิตพึงให้ตีราคาสิ่งของปรับอาบัติแลถ้าของนั้นเนี่ยนะมีค่าเกินห้ามาศกไปแล้วเนี่ยถือว่าสมมติถือไปลักแล้วเอาไปให้เขาเนี่ยนะเป็นประราชิษเลย แค่เคลื่อนจากฐานก็ประราชิกเลยอายังอโคนะส่วนส่วนมหาโจรข้อที่ห้าเดี๋ยวต่อไปว่านะมหาโจรที่กำลังเข้าเรื่องนะดูก่อนพิสูุนทั้งหลายพิกูุผู้กล่าวอวดอุตริ ม, มนุสธรรมอันไม่มีอยู่อันไม่เป็นจริงนี้จัดเป็นยอดมหาโจรว่า ง, งันน 1, 2, 3, 4, น้นหนึ่งสมสนี่ก็หนักหนาสาหัสและข้อที่สี่เนี่ยนะยอดมหาโจร ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกเหมือนกันโอ้ยโจรระดับร้นข้ามหลายโลกเลยนะสาภูมิเนี่ยเขาปล้นได้อ่ะในหมู่สัตรพร้อมทั้งส ม, มณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชา ว, วแว่นแคว้นด้วยอาการแห่งคนขโมยกำลังกันเพราะว่าเป็นปราชิกปั๊บเนี่ยภิกษุรูปนั้นเป็นปราชิกปับ๊บเป็นขโมยทันทีเลยบริโภคทุกคําทุกคําทุกคําไปเนี่ยบริโภคเยี่ยง โจรเขาว่างั้นพิสุใดประกาศตนอันมีอยู่โดยอาการอื่นด้วยอาการอย่างอื่นก็คือตัวเองเนี่ยเป็นปราชิกแล้วละ่ะแต่ประกาศตัวว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลมีธรรมเนี่ยนะโพชนะนั้นอันพิสุนั้นฉันแล้วด้วยอาการแห่งคนขโมยดุดพรานนกลวงจับนกฉนั้นปกปิดตัวเองฮนะจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้หวังดีต่อนกอะไรหรอกพิสุนั้นก็เหมือนกัน ภิกษุผู้เลวสามเป็นอันมากมีผ้ากาสาวะพันคอมีธรรมสามไม่สัมรวมแล้วภิกษุผู้เลวสามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวสามภิกษุผู้ทุศีลไม่สัมรวมแล้วบริโภคก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟประเสริฐกว่าการฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแควนจะประเสริฐอะไรเนี่ยนะท่านอาทิ อธิบายที่ว่าอยังอักโคมหาโจโรนเนี่ยนะเขรียสุดยอดมหาโจรเขา่ากงั้นเดี๋มีอธิบายว่าภิกษุที่รักชอโลกุตระธรรมซึ่งสุขุมละเอียดนะักเป็นไปล่วงการถือเอาด้วยอินทรีห้านี้จัดเป็นโจรใหญ่โจรใหญ่ก็คือใหญ่คือมหานั่นเองมหาโจรเหมือนกันเดี๋ยที่สุดของมหาโจรเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าโจรผู้เช่นกับภิกษุนี้ย่อมไม่มีเขาบอกงั้างานโหสุดยอดเลยนะถามว่า โลกุตรธรรมอาจลวงคือรักช่อเอาเหมือนทรัพย์มีเงินและทองเป็นต้นหรือเอาไปลักเอาอยัางไงอ่ะมันไม่อยากแกวแหวนเงินทองไปขโมยไปหยิบมายัางไงแกว่าไม่อาจคือแม่ไม่ได้ไปรักแบบนั้นด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจริญตรัสว่าพิษุใดกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่คือไม่เป็นจริงอ่ะลักษณะนี้แหละเขาเรียกมหาโจรแท้จริงพิษุนี้ย่อมกล่าวอวดธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนอย่างเดียว ว่าธรรมะนี้ของเรามีอยู่ที่จริงแล้วฌานมรรคผลเป็นต้นไม่มีเลยแต่อวดว่ามีแต่ไม่อาจให้อุตริ ม, มนุสธรรมนั้นเคลื่อนไปจากที่ได้หรือไม่อาจทำให้มีอยู่ในตนได้คือไม่สามารถเป็นอย่างนั้นหรอกแต่อวดให้คนอื่นเขานึกว่ามีเนี่ยนะถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเหตุไรจึงกล่าวว่าเป็นโจรเล่าเอาก็ร อ, อกเอาเนี่ยก็คิดนะ่ทไมจึงเรียกว่าโจรละ่ะแก้ว่า เพราะว่าภิกษุนี้กล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมนั้นแล้วจักถือเอาปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะการอวดคุณที่ไม่มีอยู่เพราะเหตุนั้นปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันเธอถือเอาด้วยการอวดธรรมที่ไม่มีอยู่อย่างนั้นล่อลวงคือลักช่อด้วยอุบายอันสุขุมด้วยเหตุนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในข้อนั้นเพ่อเหไรายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ก้อนเข้าของชาวแว่นแคว้น อันที่สูนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมย อ, อันเนื้อความในคําว่าตังกิสาเหตโตนี้พึงทราบดังต่อไปนี้เราได้กล่าวคําใดว่าภิกษุใดกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีไม่จริงภิกษุนี้เป็นยอดมหาโจร น, นะถามว่าทําไมพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นถ้าจะมีผู้โจททกวงว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรคือเราได้กล่าวคํานั้นเพราะเหตุไรเราพึงฉเฉลยว่า เพราะเหตุที่ก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นอันพิสูนนั้นฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยแลพิสูุทั้งหลายอธิบายว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเพราะก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นเป็นอันพิสูจนั้นฉันแล้วด้วยทายจิตด้วยความเป็นขโมยเพราะเหตุนั้นเราจึงได้กล่าวคำนั้นข้อความในคถาว่าอัญถาโยปเวทะเยมีความว่า พิษูรูปใดพึงประกาศด้วยอาการอย่างอื่นซึ่งมีกายสมาจารย์บริสุทธิ์เป็นต้นคือให้ชนอื่นเข้าใจอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งในโลกุตระธรรมมีอยู่ในภายในของเราก็แลคขันประกาศแสดงตนดุดผ้าหาันชันโพชนะที่เกิดขึ้นเพราะการประกาศนั้น น, นะคือตัวเองไม่ได้มีคุณธรรมอะไรอย่างที่ว่าแม้แต่นี้เดียวเลยนะแต่ก็อยู่ในนามของ ของคนที่มีคุณธรรมอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นยอดมหาโจรไงเขาบอกว่าดุดพรานนกผู้ลวงคือหลอกจับนกตัวที่มาแล้วมาแล้วในป่าด้วยมีความสำคัญว่าเป็นพุ่มไม้และก่อไม้แล้วเลี้ยงชีวิตฉช่นั้นใช่บาปทักษาว่าพุทธังเถยเยนะตัสะตังความว่าเมื่อภิกษุแม้นนั้นผู้ไม่ใช่ผ้าอรหันเลยแสดงว่าเป็นผ้าอรหันชั้นโภชนะที่ตนได้มาโภชนะที่เธอฉัน เชื่อว่าเป็นอันเธอฉันแล้วด้วยความเป็นขโมยเพราะเธอฉันโภชนะที่ตนล่อลวงมนุษย์ทั้งหลายแล้วได้มาเปรียบเหมือนนายพรานนกผู้มีเครื่องปกปิดล่อคือลวงจับนกฉะนั้นก็ภิกษุใดเมื่อไม่รู้อํานาจแห่งประโยชน์นี้ย่อมฉันด้วยอาการอย่างนั้นภิกษุเป็นอันมากมีผ้ากาสาวะพันคอคือไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษนัก็เอาผ้ามาพันคอใช่ไหม มีธรรมะเลวทรามไม่สำรวมแล้วพิกษุผู้เลวทรามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวทรามก็บอกว่าคำว่าผ้ากาสาวะพันคอในที่นี้ก็คือเป็นชื่อแห่งบรรดชิตผู้ทุศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนอนนุ์ก็แลโคตรภูสงทั้งหลายผู้มีผ้ากาสาวะพันคอจกมีในอนาคตตกาเนี่ยนยะเนื้อความที่ว่า ภิกษุผู้เลวสามเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะย่อมเข้าถึงทุคติซึ่งหมดความเช่มเชื่นพึงทราบเนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่าถ้าบุคคลผู้ทุศีลไม่สำรวมตั้งอยู่ในอิจฉาจา์อนาจานะนะที่เราเรียนไปก็คือในข้ออนาจารนเป็นผู้ลวงโลกด้วยกิริยาหลอกลวงนี้พึงบริโภคคือพึงกลืนก้อนเหล็กแดงดังเปลวไฟ การที่ผู้ทุศีลพึงฉันก้อนข้าวของชา ว, วแว่นแคว้นนี้หนึ่งการที่บุคคลพึงกินก้อนเหล็กแดงนี้หนึ่งในสองอย่างนั้นก้อนเหล็กเทียวอันที่สูนั้นบริโภคแล้วพึงเป็นของประเสริฐกว่าคือดีกว่าและประณีตกว่านนะก้อนเหล็กแดงๆกับข้าวที่เขาถวายเนี่ยอันไหนดีกว่ามั้งกันก็บอกว่าไอ้ก้อนเหล็กแดงแ ด, งดีกว่าเพราะว่าภิกษูนั้นจะไม่เสวยทุกข์ซึ่งมีการกําหนดรู้ได้ยาก ด้วยสัพพัญญุตญาณในสัมปรายภาพเพราะบริโภคก้อนเหล็กแดงเข้าว่างกันก็บอกว่าเพราะว่าสัพพัญญุตญาณยังกําหนดได้ยากเลยว่าไอบาปที่เกิดจากการฉันเนี่ยมันจะให้ผลยาวนานขนาดไหนเพราะว่าไอเกลืนก้อนเหล็กแดงมันก็แป๊บเดียวไอเดี๋ยวก็ตายแล้วตายก็เกิดใหม่ก็สบายแล้วนะก็พ้นจากทุกข์เหล่านั้นแล้วแต่เอกผู้มิไม่มีศีลอย่างที่ว่าบริโภคไปเนี่ยนะก้อนข้าวเนี่ย มันไม่อยู่ในนรกตั้งนานแล้วก็ในวินีตวัตถุจะตุถะปราชิตนี่แหละกล่าวถึงเปรตภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสัมมเนเปรตสัมมเนรีแล้วก็เปรตศิขมานาเนี่ยนะซึ่งมีหลายเรื่องระวางงี้เขาบอกว่าที่พระพโมกขลาณนะกับพระลักณะเนี่ยนะลงจากเขาคิจกูดพโมคลานะ ก็ได้เห็นภิกษุเปรตเนี่ยลอยไปในเวหาสังคาติบาทประโคดเอวและร่างกายของเปรตนั้นก็ถูกไฟลุกโชนเปรตนั้นก็ร้องควนคางภิกษุณีก็เหมือนกันนะแบบเดียวกันเขบอกว่าภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นเคยเป็นภิกษุผู้ลามกในศาสนาของพระคาสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์กนตกนรกอยู่พุทธันดรนนั่นเอแล้วก็เพิ่งพ้นมาเป็นเปรตไม่นานนี้เองแล้วก็ไม่รู้จะไหม้อยูอย่างนี้อีกนานหรือเปล่าไปเขาขี้จะกูดมองไม่เห็นเลยนะ บอกเราเห็นด้วยตาทิพย์ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อหรอกแล้วก็สิกขมนาสัมมเนนสัมมเนินเปรตเนี่ยนะแล้วก็สัมมเนรีเปรตลอยไปในเวหาสังคาติประคดเอวร่างกายของเปรตเหล่านั้นก็ถูกไฟลุกโชนร้องควนคลางพรองก็เล่าว่าเปรตนั้นเนี่ยนะเคยเป็นสัมมเนรีผู้ลามกก็คือผู้บาปในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนเนี่ยนะพราะก็บอกว่าไอ้บาปที่ทำเนี่ยเมื่อจากผิดศีลผิดธรรมแล้วบริโภคเนี่ยนะ เขาบอกว่าโทษในชาติต่อๆไปขนาดสัพพัญยุตยานไม่อยากกำหนดเลยว่างั้นเนี่ยมันมากอ่ะไม่เครื่องแบบนี้ไม่อยากคำนวณเลยอ่ะ <c oughs> แต่จะมีแต่จะได้เสวยทุกมีประการดังกล่าวแล้วในสัมปรายภาพเพราะเธอบริโภคก้อนข้าวของชาวเวนแควนซึ่งตนได้มาแล้วด้วยอาการอย่างนั้นจริงอยู่อาชีพนี้จัดเป็นมิจฉาชีพขั้นสุดยอดงั้ น, นในบรรดามิจฉาชีพทั้งหมดเนี่ยนะอาชีพเนี่ย สุดยอดของมิจฉาชีพพระองค์ก็อาศัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่แหละแสดงทําแบบนี้ไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนภิกษุพวกฝั่งแม่นม้ําวักคุมุทาโดยอเนก ป, ปริยายแลว้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบํารุงยากความเป็นคนมกักมากความเป็นคนไม่สันโดษความ ค, คลุกคลีความเกลียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย ความเป็นคนบำรงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลว์ความกําจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยเอเนกประ ย, ยัยทรงกระทําธรรมมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่พิสุททั้งหลายแล้วรับสั่งกับพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าดูกรพิสุทธิทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจะบัญญัติศิกขาบทแก่พิสุททั้งหลายอาศัยอํานาจประโยชน์10 ป, ประการนะ หเพื่อรับว่าดีแห่งสงสองเพื่อความสําราญแห่งสงชุดที่หนึ่งนะเรื่องสงวางกันข้อสก็เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากขอ้อ4เพื่ออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รักข้อหเพื่อป้องกันอาสวะคือเรื่องเสื่อมเสียเป็นต้นอันจะบังเกิดในปัจจุบันข้อหก็อบอกเพื่อกําจัดอาสวะอันจกบังเกิดในอนาคตคือเนี่ยนะบกปิดอบายสุคติวินิบาตนรกโดยการบัญญัติพระวินัยนี้ขึ้น ข้อเจ็ก็เพื่อความเลื่อมใสแห่งชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสข้อแปก็เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วข้อเก้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งศัตริยธรสาม 3, คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวศศัตร์ธรรมแล้วก็เพื่อถือตามพระวินยัยเนี่ยนะวินัยสี่คือสังวรวินยัยประหานะวินยัยส ม, มถาวินยัยแล้วก็บัญญัติวินยัยดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอพึงยกสิษยาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า อันหนึ่งที่สุใดไม่รู้เฉพาะกล่าวอวดอุตรีมนุษสธรรมอันเป็นความเห็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสา ม, มารถน้อมเข้ามาในตนว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามถ้าอวดออกไปแล้วเขาฟังเข้าใจนะเป็นอันต้องอาบัตแล้วมุ่งความหมดจดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่านะตอนหลังอ้าวเราอวดไปแล้วนี่ตอนหลังอยากบริสุทธิ์เนี่ยนะ มากล่าวอย่างนี้วันนีท่านข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยเป็นเทพเปล่าๆแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราเชขาสังวาสไม่ได้คือถ้าหากว่าประสงค์จะอวดเนี่ยนะก็เป็นหละทั้งทั้งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยพระรู้อยู่ทีนี้โดยสมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็นบางกลุ่มที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะ เจริญวิปัสนาแล้วก็เกิดโอภาสเป็นต้นก็ น, นึกว่าได้บรรลุแล้วสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้ถึงยังไม่ได้ยังไม่ไม่ถึงว่าถึงสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสําคัญมรรคผลอันตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งว่าได้ทําให้แจ้งจึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สําคัญว่าได้บรรลุครั้นต่อมาจิตของพวกเธอจึงน้อมไปเพื่อความกําหนัดก็มีทีแรกนึกว่าหมดกิเลสแล้วใช่ไหมเพราได้ปัจจัยโลภะเกิดอีกอยังไง น own, <Tao> s, ้อมไปเพื่อความขัดเคืองก็มีเพราะได้ปัจจัยโทสะเกิดน้อมไปเพื่อความหลงก็มีเอาได้ปัจจัยโมหะเกิดจึงมีความรังเกียจว่าสิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วแต่พวกเราสําคัญมรรคผลที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เห็นสําคัญว่าเห็นสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งว่าได้ทําให้แจ้ง จึงกล่าวอวดอ้างมักผลตามที่สำคัญว่าได้บรรลุพวกเราต้องอบัตปาราชิกแล้วกังหนอแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้ท่านพระอนุลท่านพระอนก็กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่เหมือนกันอ น, นุ์ ข้อที่ภิกษุทั้งหลายสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้เห็นว่าได้เห็นสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้ถึงว่าได้ถึงสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุสําคัญมรรคผลที่ตนยังไม่ได้ทําให้แจ้งว่าได้ทําให้แจ้งจึงอวดอ้างมรรคผลตามที่สําคัญว่าได้บรรลุแต่ข้อนั้นแลเป็นอโรหาริกพองก็เลยบัญญัติเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าเว้นแต่สําคัญว่าได้บรรลุองค์ที่อวดไปเนี่ยนะถ้าสําคัญว่าได้บรรลุจริงๆก็ไม่เป็นอบับ แต่ว่าไม่มีจริงเนี่ยนะแล้วสําคัญว่ามีเนี่ยแล้วอวดไปอันนี้ไม่เป็นแต่ถ้าหากว่าประสงค์จะหลอกเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้สําคัญว่าตัวเองมีด้วยแต่ก็รู้ว่าไม่มีด้วยแล้วก็หลอกไปอันนี้เนี่ยเป็นอบัติมีข้อที่น่า ส, สนใจว่าเธอภิกษุกลุ่มนั้นเนี่ยนะได้พยากร์อรหัตผล ได้บอกแก่พิสูจทั้งหลายว่าอาวุโสพวกเราได้บรรลุอรหัตผลแล้วกิจที่ควรทําพวกเราทําเสร็จแล้วเพราะยังละกิเลสไม่ได้ด้วยมั้เนี่ยนะคือจริงๆแล้วไม่ได้บรรลุจริงๆหรอกจิตของพวกเธอเหล่านั้นผู้ข่มกิเลสไว้ได้ด้วยอํานาจสมถะและวิปัสสนาอย่างเดียวโดยสมัยต่อมาในเวลาประกอบพร้อมด้วยปัจจัยเห็นปานั้นย่อมน้อมไปเพื่อความกําหนัดบ้างเนี่ยนะบางครั้งก็ น, น้อมไปเพื่อให้เกิดโทสะ บางครั้งก็น้อมไปเพื่อโลภะบางครั้งก็น้อมไปเพื่อโมหะเพราะนั้นน ะ, ะคำว่าอภโรหาริกเนี่ยนะก็แลการพยากรอรหัสนี้นั้นของเธอเหล่านั้นเป็นอภโรหาริกยังไม่ถึงโวหารในการเป็นเหตุให้บัญญัติอาบัตอธิบายว่าไม่เป็นองค์แห่งอาบัตเนี่ยนะคือที่ถ้าสําคัญว่าได้มีจริงๆแล้วอวดไปเนี่ยนะไม่เป็นอาบัตนะ ถามว่าก็การสําคัญว่าได้บรรลุนี้ย่อมเกิดแก่ใครไม่เกิดขึ้นแก่ใครใครมั่งที่สําคัญว่าได้บรรลุใครมั่งไม่สําคัญว่าได้บรรลุตรงนี้น่าสนใจว่าแก่ว่าย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยาสาวกก่อนพระอริยาสาวกจะไม่มีความสําคัญว่าตัวเองได้บรรลุนะ ท, ที่สําคัญผิดนะนะไม่มีจริงอยู่พระอริยาสาวกนั้นมีโสมนัตเกิดขึ้นแล้วด้วยญาณเป็นเครื่องพิจารณา ก็คือปัจจเวคขณะยานที่เป็นโสมนัสพิจารณามัคผลนิพานกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลือเป็นผู้ไม่มีความสงสัยในการแทงตลอดอริยคุณนะพระโสดาบันนี่จะมีปัจจเวคขณะยานห้าใช่ไหมพิจารณามัคพิจารณาผลพิจารณานิพาน3ามนนะนะพิจารณากิเลสที่ละแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือพระสากาทาคามีก็5อย่างเหมือนกันท่านาคามีก็5พระ่ารหันก็4อย่าง คือพิจารณามรรคผลนิพพานแล้วก็กิเลส ท, ที่ละแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยเรียกว่าปัจเจเวคณยญาส19เพราะเหตุนั้นมานะความถือตัวจึงไม่เกิดขึ้นแก่พระอริยาสาวกทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นด้วยอำนาจความถือว่าเราเป็นพระสกท า, าคามีเป็นต้น น, นะผู้ที่สำคัญผิดเนี่ยนะพร ะ, พระอริยจะไม่สาคัญแบบนี้เด็ดขาดและไม่เกิดขึ้นแม้แก่บุคคลผู้ทุศีน ผู้ไม่มีศีลเนี่ยนะจะไม่สําคัญผิดเลยเว้นไว้แต่จะหลอกเพราะว่าบุคคลผู้ทูตศีล น, นั้นเป็นผู้หมดความหวังในการบรรลุอริยคุณทีเดียวนะถ้าทูตศีลไม่ต้องหวังเลยเพราะงั้นเดีย๋ยต้องทําคืนให้บริสุทธิ์ก่อนนั่นแหละทั้งไม่เกิดขึ้นแม้แก่ผู้มีศีลซึ่งสละกรรมฐานศีลดีแต่ว่าลืมกรรมฐานแล้วเลิกเจริญกรรมฐานแล้วแล้วตามประกอบเหตุแห่งความเกียดคร้านความเป็นผู้ยินดีในการหลับนอนเป็นต้นอะพวกนี้ก็ ไม่สำคัญพิดอีกเพราะมันไม่มีอ่ะนะแต่จะเกิดขึ้นแก่ท่านผู้เจริญผู้เริ่มเจริญวิปัสนามีศีลบริสุทธิ์ดีไม่ประมาทในกรรมฐานข้ามพ้นความสงสัยคื อ, อผ่านปัจจยปริคหายานกำหนดนามรูปจับปัจจัยได้ยกขึ้นตรลักษณ์ขึ้นพิจารณาสังขารทั้งหลายอยู่คือพวกที่เจริญตีรณปริญญาตีรณปริญญาพอเจริญไปเต็มที่แล้วนะก็จะเกิดวิปัสสนูปกิเลส ข, ขึ้น ตีระปริญญาถ้าบริบูรณ์จริงๆแล้วจะเกิดวิปัสนปกิเลส ข, ขึ้นถ้าไม่บริบูรณ์เนี่ยเอาไว้ก่อนอ่าละความสำคัญว่าได้บรรลุเกิดแล้วย่อมพักบุคคลผู้ได้สมถะล้วนๆหรือผู้ได้วิปัสนาล้วนๆเสียในกลางคัน จึงอยู่บุคคลนั้นเมื่อไม่เห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแห่งกิเลสตลอด10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้างย่อมเข้าใจว่าเราเป็นพระโสดาบานันหรือว่าเราเป็นพระสกท า, าคามีหรือว่าเราเป็นพระอนาคามีแต่สําคัญว่าได้บรรลุนั้นผู้ตั้งอยู่ผู้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาในอรหั ต, ตผลทีเดียวจึงอยู่กิเลสนั้นข่มกิเลสทั้งหลายได้ด้วยกําลังสมาธิกำหนดสังขารทั้งหลายด้วยดีด้วยกําลังแห่งวิปัสสนา เพราะฉะนั้นกิเลสทั้งหลายจึงไม่ฟุ้งตลอดหกสิบปีบ้างแปดสิบปีบ้างร้อยปีบ้างอ่ะนะถ้าท่านอายุยนะืนน่ะเขามีนักกลมหนึ่งเลยท่านท่านเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาควบกันเนี่ยนะแล้วก็ได้อุทยพยายาและก็ท่านนึกว่าท่านได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านก็โอ้สบายแสดงฤทธิ์ได้หมดเลยกิเลสก็ไม่กำเริบอะไรก็ไม่กำเริบจนทรรษาหกสิบอ่ะ่นะพระพระรูปหนึ่งเนี่ยท่าน ตรวจดูนะด้วยชัานท่า น, ช, นชื่อพระมาลายเทพเทระนะท่านเทพเถระเนี่ยองค์นี้กับท่านวิสาขาเนี่ยผ้าเหล่านี้จะแก่งมากอท่านก็ตรวจเออองนี้ยังไม่ได้บรรลุท่านก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็ถามกันเรื่องมรรคเรื่องเนี่ยนะแล้วองค์นี้ก็แสดงฤทธิ์ให้ดูเลยออง์นี้เขาบอกว่าท่านแสดงฤทธิ์อย่างนี้สิแต่ว่าแสดงยังไงอะ่ะก็บอกว่าเนระมิตดอกบัวขึ้นเลยนะดอกหนึ่งอ่า น, นะอะไรยังไงต่อ แล้วก็เนรมิดผู้หญิงคนหนึ่งไปร่ายรำบน น, นั้นอ่ะแล้วก็ดูดูพักกิเลสมันเกิดอะ่ะเฮ้ยนี่เรายัางไม่ได้บรรลุนี่แล้วพระองค์นั้นก็แสดงวิธีเจริญวิปัสสนาต่อแล้วก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์อีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็สําคัญว่าได้บรรลุมานานแล้ะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็นิมนต์ช่วยเนรมิดช้างหน่อยว่างั้น เ, เนรมิดช้างตัวใหญ่เลยแต่นะเอาช้างเนี่ยให้มัน ม้วนงวงเข้าไปในปากแล้วเปล่งเสียงแล้ววิ่งมาใส่ตัวเราเลยนะแต่ก็เนรมิตเองนะช้างจะมาวิ่งตัวเองนะจะมาเหยียบตัวตายกลัวตายพระท่านก็จับมือไว้อันนั้นผับเนระมิตกลัวเอ้านี่เรายังไม่ได้บรรลุอะไรนี่ก็เลยข อ, อกับมาถานก็เลยได้บรรลุอริยผลต่อไปแต่ก็มีนะเพราะองค์เหล่านี้บางทีสําคัญปิดตั้งหกสิบปีอะ่ะหกสิบปีนะสำคัญผิดแต่กิเลสไม่เคยกําเริบเลยอะ่ะ โลพาโทสามโมหะไม่มีเลยนะชาณพิญยาเนี่ยโอ้ใช้เมื่อไหร่ก็ได้ํำนานคล่องแคล่วเห็นะเพราะฉะนั้นพระเหล่านี้ท่านจะสำคัญผิดก็มีเนี่ยนะคือสำคัญว่าได้บรรลุแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พระเหล่านี้ถึงอวดก็ไม่เป็นอบัติปราชิกในศิขาบทนี้เนะแต่ก็นะยุคนี้เราก็พยายามเทียบเทียงตั้งแต่กุศลเบื้องต้นๆเลยนะ อวิสุทธิ์ที่ข้อแรกๆะนะมาตรวจสอบดูว่าได้ไดหรือเปล่ า, าคือตอนนี้นี่เราลักษณ ะ, ะเราไม่ได้ศึกษาเพื่อที่ว่าไปชำระใครต้องทําใจอย่างหนึ่งนะว่าเราศึกษาไม่ได้ไปชำระใครเพราะว่ากรรมสกตาเราต้องแม่นหน่อยต้องมากเลยนะเพราะว่าเราศึกษาเพื่อความไม่มีโทษอย่าลืมว่าถ้าเราศึกษาวิสุทธิมัคเนี่ยนะท่านใช้คําว่าวิสุทธิมักใช่ไหมคำว่าวิสุทธิมัคม ค, ม ค, คือทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยนะ เราศึกษาอย่างไรจึงจากบริสุทธิ์อาการบริสุทธิ์นี้เป็นของที่ทำเผื่อคนอื่นไม่ได้คนอื่นจริงๆแล้วบางอย่างเขาก็ไม่ได้อยากนึกจะบริสุทธิ์อะไรเขาก็อยู่ของเขาดีอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจึงของใครก็ของใครปล่อยเข้าไป